สมัยต่อมาเราก็เล็งเห็นบุคคล น, นั้นแหละเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งปิติวิสัยสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่ผจกสุอันบริสุทธ์ล่วงจักสุของมนุษย์เนี่ยนะพฤติกรรมคำพูดแบบนี้เป็นประเษอยังงนะก็รู้เลยอย่างที่นะใครที่ไปภูเขาคิชกูฎเนี่ยนะขาขึ้นภูเขาพิชกูฎหรือขาลงภูเขาคิชกุฎถ้าจาลักษณะสังยุตได้อัน น, นลักษณะสังยุต สั่งยุติที่พระลักขณะถามพระโมกขลานะว่าขณะที่ลงจากภูเขาท่านยิ้มทําไมพระโมคขลานะเขาบอกไปถามผมต่อหน้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงต่อพระพักพระพุทธเจ้าพระโมกขลานะก็ถามเออครับไปพระลักษณะก็ถามต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทําไมท่านจึงยิ้มพระโมกขลานะบอกผมเห็นเปรตชิ้นเนื้อผมยิ้มบอกโอ้สัตว์อย่างนี้ก็มียังมีอยู่ในโลกแล้วก็ที่ยิ้มก็บอกว่า ผมเนี่ยพ้นจากสภาพอันนั้นแล้วยิ้มด้วยหัสรริตรปาถ้าจิตว่าพ้นจากสภาพเป็นเปรตแล้วเนี่ยนะบางทีก็ไปเห็นเปรตโครงร่างกระดูกที่ อ, อีแรงอีกาเป็นต้นจิตรวมถึงอยู่ในอากาศบางทีก็เห็นเปรตโครงกระดูกเห็นเปรตตัวกระพันตัวกระพันนี่แปล ว, ว่าหัวนี่อยู่ที่พุงพุงเนี่ยเป็นหัวเนี่ยนะตามีตามีจมูกอยู่ที่พุงคอขาบนั่นนะเรียกว่าตัวกระพันเหมั้น แล้วก็มีอีกหลายประเภทเปรตที่เรียกว่ามีเข็มทิ่มแทงห อ, อกทิ่มแทงหรือว่าค้อนทุบวันและเป็นหมื่นครั้งเนี่ยนะถูกค้อนทุบวันและเป็นหมื่นหมื่นครั้งเนี่ยก็เห็นเห็นแล้วท่านก็บอกว่าไปถามพระองค์พระองค์ก็เล่าว่าเนี่ยพระองค์ก็ได้เห็นแล้วตอนที่พระองค์ตัดสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็เห็นแต่ตอนนั้นพระองค์ก็ไม่เล่าเพราะอะไรเพราะว่าข้าเขาไม่เชื่อการที่เขาไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและปฏิเสธนั่นจะเป็นไปเพื่อทุกโทษแก่เขาบัดนี้พระองค์ก็ได้มกพระโมกขลานะเป็น พยานเมื่อได้พระโมคขลานะเป็นพยานก็บอกเฮ้ยนี่เป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าบุญบาปเหล่านี้เนี่ยพระองค์มองเห็นเมื่อพระองค์มองเห็นเรียกว่าพระองค์เนี่ยผู้มีจักษุผู้มีดวงตามีทั้งตาเนื้อมีทั้งตาปัญญารู้ดีรู้ชั่วพระองค์จึงคอยบอกหมดเลยนะจริงๆแล้วถามว่าใครที่จะป้องกันช่วยปอกปักรักษาเราเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งประโยชน์ในโลกนี้เนี่ยนะเช่นในสิงค์คารกะสูตรเนี่ย บอกหมดเลยว่าวิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกนี้ต้องทํำยังไงหลักทิศหกเนี่ยนะทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างซ้ายข้างขว า, ข า, ขาทิศบนทิศ ล, ล่างเกี่ยวข้องกับแต่ละเรื่องต้องปฏิบัติอย่างไรนะพระ อ, องค์บอกหมดเลยนี่คือประโยชน์ในปัจจุบันแล้วประโยชน์ในสัมป라이่พ บ, บอกและที่สาคาัญพระองค์บอกประโยชน์ที่สูงสุดพระ อ, องค์จึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์เป็นพระศาสดาที่ สอนเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์ได้รับทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์เหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อความสุขพระองค์บอกหมดเลยอันนี้เป็นประโยชน์ต้นอันนี้เป็นประโยชน์ของผู้อื่นอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะนพระองค์ก็บอกหมดแหลเะเพราะอะไรเพราะพระองค์ปรารถนาไม่ให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกพระองค์ไม่พระองค์เนี่ยมีมีใจกรุณาหวังที่จะช่วยให้สัตว์นั้น พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตปรารถนาที่จะให้สัตว์นี้พ้นจากนรกเปรตอสุรกายและเดรัชานปรารถนาที่จะให้รรสรรพสัตว์นั้นพ้นจากโศกพ้นจากชาติชราและมรณะพ้นจากตัณหาและอวิชชาสรุปว่าพ้นจากวัตทุกหมือนนั้นดูก่อนสารีบุตรเรากําหนดรู้ใจของบางคนในโลกนี้ด้วยใจเหมืั้นแหะ เรีว่าใช้ใจคือสัพพัญยุตยานตรวจสอบวาระจิตของคนทั่วไปเนี่ยนะว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักอุบัติในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราก็เห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก มนุษย์นะ่ยถือยังไงก็ถือว่ามีความสุขว่างั้นเถอะเขถ้าเทียบกับเดรชานเป็นต้นนะนะมนุษย์เนี่ยถือว่ามีความสุขมากพระองค์ก็เห็นแล้วว่าเนี่ยจากเสเวยความสุขอะนะของมนุษย์ด้วยที่ประจักษ์สุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่มีหนทางอมีใบแก่อันหนามีเงาเนี่ยหนาทึบ ลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั่นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนี้จักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุ พึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากเรียกว่าเดินทางมาแล้วก็มาเจอต้นไม้ร่มเงาเย็นสบายนอนพักอยู่ตรงนั้นนะนะแม้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแลว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็คือรักษากุศลกรรมบทอย่างนี้ดําเนินตามกุศลกรรมบทอย่างนี้ขึ้นสู่หนทางคือ กุศลกรรมบดอย่างนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากอุบัติในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราก็ย่อมเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยที่ประจักษ์สุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์เนี่ยนะเห็นเลยว่ากุศลกรรมบดนั้นอ่ะสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็สุขทั้งในภพต่อๆไปการปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบดนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดใน สุขคติพบนั่นเองเนี่ยนะอันแสดงว่าพวกเราทั้งหลายมีบุญในะอดีตเนี่ยรักษากรรมบดมาดีเนี่ยนะจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็แสดงว่าทําบุญมาดีก็ขอมุทิตาด้วยแบบนั้นนะทําบุญมาดีแนละ้วจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังไงยังไงก็อยากขาดทุนกันล้กันรักษาต้นทุนเอาไว้ก็ยังดีอนะขนาดได้ต้นทุนเนะี่ยยังบางคนยังไม่เอานะไม่ขอทุนยังไม่เอาอีกข้ออุปมาที่ห้า ดูก่อนสารีบุทเรากำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจเนี่ยนะอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะก็คืออยู่ในกุศลกรรมบท1ิบและหิริโอตตปะเนี่ยนะ สมัยต่อมาเราเห็นบุคคล น, นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยที่พระจักษุอันบริสุทธ์ล่วงจักษุของมนุษย์เนี่ยนะอย่าลืมว่าปฏิปทาที่ทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็คือศรัทธาสินสุตะจาคะและปัญญานั่นเองนะศรัทธาสินสุตะจาระปัญญาเป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนสารีบรเปรียบเหมือนปราศาสตร์ ในปร า, าสาทนั้นน่ะมีเรือนยอดเป็นเรือนที่ฉาบทาดีแล้วมีวงกรอบอันสนิทหาช่องลมไม่ได้มีบานประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบัลลังก์อันลาดด้วยผ้าโกเชาขนยาวลาดด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานกั้นในเบื้องบนมีหมอนแดงวางข้างั้งสอง ลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านเหวี่ระหายมุ่งมาสู่ปราศาสตรนั่นแหละโดยมักขาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเข้าแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงปราศาสตรนี้ทีเดียวอะไรเหมือนอะไรนะเหน็ดเหนื่อยเดินทางไกลน้อยเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จองตัว๋วโรงแรมไว้อย่าง อย่างดีเนี่ยนะเรียกว่าจองห้องไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็วางมาัดจําแล้วเขาก็เตรียมต้อนรับพร้อมเนี่ยนะตีตัวไว้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยจองตัวไว้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยจะไปไหนใช่ก็ได้พักผ่อนในที่สบายนี้ฉันใดบุรุษผู้นี้ก็ฉันนั้นโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นก็เห็นเขานะ น, นั่งหรือนอนบนบัลลังก์ในเรือนยอดปร า, าสาทสวรรค์สุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใด ดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจด้วยใจเนี่ยนะของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแลอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าและถึงแล้วซึ่ง สุขติโลกสวรรษเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์เนี่ยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเหล่าเทวดาทั้งหลายเทวดาเหล่านี้รวมทั้งพรหมด้วยนะตั้งแต่พรหมเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปริณิมิตาวสวัดีพรหมปโรหิต า, าพรหมปริสัชชาปโรหิตามหาพรหมาปริสตาภาอปมานาภาอภัสราอาสุภกินหา ปริตัสุภาอ ป, ปมาณสุภาสุ ภ, สภกินมหาเวหัพลาเป็นต้ น, นไล่ไปโดยลำดับพวกนี้ก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากปฏิบัติอยู่ในศรัทธาสินสุตะจากคะและปัญญาเจริญพรหมิหารเป็นต้นมันพระองค์รู้จักคติ5ตรงนี้พูดถึงคติหนะคติคือนรกเปรตอสุรกาเอนรกเดรชาเปรตมนุษยเทวดาคติหวิธีการหลักการข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่ คติห้าทีนี้พระนิพพานที่ดับนรกพระนิพพานที่พ้นจากนรกพระนิพพานที่พ้นจากเดรัจฉานเทพระนิพพานที่พ้นจากปิติวิสัยพระนิพพานที่พ้นจากภพมนุษย์พระนิพพานที่พ้นจากสุขติโลกสวรรค์พระนิพพานที่ดับคติทั้งห้าเหล่านั้นและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานที่ดับคติห้าดูก่อนสาริบุตรเราย่อมกําหนดรู้ด้วยใจ ของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นคือปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดดำเนินอยู่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขึ้นสู่หนทางอันประกอบไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จักกระทําให้แจ้งซึ่งเ จ, จโตวิมุตติอรหัตผลสมาธิปัญญาวิมุตติอรหัตผลปัญญาอันหาอาสวะทั้ง4มิได้เพราะอาสวะทั้ง4ี่สิส้นไปตามลําดับอริยมรรคด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมาเราก็เล็งเห็นบุคคล น, นั้นกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่สเสวยสุขชวยทนาโดยส่วนเดียวดูก่อนสารีบุตรเปรียบเหมือนสะบกกรณีมีน้าอันใสเยสะอาดเยน แล้วก็ใส่ตลอดมีท่าอันดีนะ่ารื่นรมในที่ไม่ไกลาจากสระโบกกรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสถานหิวระหายมุ่งมาสู่สระโบกกรณีนั่นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้น ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงสระบกครณีนั้นทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสูนั้นพึงเห็นเขาเนี่ยลงสู่สระบกครณีนั้นอาบและเดื่มระ ง, งับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วก็ขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใด ดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันแลอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นก็คือปฏิบัติในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดําเนินตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขึ้นสู่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จักกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลาย สิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุรุษนั้นกระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวอันนี้คล้ายใครก็พระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรวจ ด, ดูนวาราจิตอ่ะ ใครมีพื้นเพมีพื้นฐานมีอัธยาศัยพอที่จะบรรลุได้ในที่สุดเขาบรรลุได้อย่างไรมันตรงไหนที่พระองค์จะช่วยเขาได้พระองค์ก็ช่วยผู้ใดที่พระพุทธเจ้าช่วยให้บรรลุมรรคผลได้พวกนั้นเรียกว่าพุทธเวไนถ้าพวกใดจะบรรลุได้เพราะสาวกท่านใดท่านหนึ่งไปสอนเรียกว่าสาวกเวไนแต่บางพวกนี้ต้องเอาพระธรรมไปคิดเองปฏิบัติเองแต่ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้พวกนี้ก็เรียกว่า ธรรมะเวไนหรือว่าพวกใช้พระไตรปิฎกและบรรลุเนี่ยนะพวกนี้กลุ่มธรรมะเวไนเนี่ยนะมันก็ที่เหลือก็ถ้าสมัยใหม่ก็ธาตุเวไนไหวพระธาตุเอากระลักกันเหมือนกันบรรลุหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งก็ไหวพระธาตุเอาบุญไปก่อนนะเอาวาสนาไปก่อนนะแล้วบอกธาตุเวไนมีอยู่สอย่างพุทธเวไนอันนี้รรรบรรลุจริงธรรมะเวไนก็บรลุจริงสาวกเวไนก็บรรลุจริงถ้าธาตุเวไนก็สวรรค์เป็นเบื้องหน้าอันนก็บูชาพระธาตุ ท, ทั้งหลายนั่นเอง พรฉนั้พระองค์นี่รู้จักอะไรคติ5ทางและข้อปฏิบัติกายวาจาใจที่ทําให้เกิดในคติหดูก่อนสารีบรคติ5ประการนี่แลสรุปว่าพระองค์นี่รู้จักคติ5ทางไปสู่คติหพระองค์รู้จักนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพพานเรียกว่าพระองค์มีสัพพัทธคามนีมีปฏิปทายานญาณที่ยังรู้ไปถึงคติและพ้นจาก คติทางปวงเพราะฉะนั้นพระองค์นี่จึงบเป็นบุคคลที่รู้ทางและรู้เครียกว่ารู้ปลายทางเป็นอย่างดีทางนี้เนี่ยนะปลายทางอยู่ที่ไหนเหมือนขึ้นรถไฟใช่มอัะนนะั้นต้นทางอยู่ที่ไหนทางเนี่ยปลายทางอยู่ที่ไหนเพราะฉะนนันใดก็ดีชีวิตของเราทั้งหลายก็เหมือนกันสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดทุกอย่างคือการเดินทางปลายทางอยู่ที่ไหน ขณะนี้เนี่ยนะชีวิตในชาตินี้ของเราก็เรียกว่าปลายทางของชาติที่แล้วแต่ทํากรรมใหม่เพื่อปลายทางในอนาคตนันทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เราทําอยู่ก็คือการเดินทาง น, นะปลายทางอยู่ที่ไหนเนาะแตนี้ปลายทางมันก็มีอยู่หกที่หปลายเนี่ยนะปลายที่หนึ่งนโลกก็คงไม่ใช่นะถ้าจะไปอย่างนั้นไปทุบม้มานั่งเรียนทําไมอย่า ง, งนันปลายที่2ก็คือเดรชานอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เรา ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนาะแล้วก็ปลายที่สามก็คือเปรดอันนี้ก็ไม่ได้ต้องการแล้วก็ปลายทางคือมนุษย์ก็บอกก็ยังผวาอยู่เหมือนกันนั่นปลายทางคือเทวดาก็พักผ่อนชั่วคราวไม่ได้ต้องการเอาจริงเหมือนกันแล้วปลายทางจริงๆคืออะไรก็นิพพานปัจโยโหโตเนี่ยนะก้อนบุญกุศลที่ได้ทําจะได้เป็นบุญเป็นวาสนาให้เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดซึ่งเป็นหนทางปฏิปทายอย่างลงสู่ นระ涅ปันชื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วก็บอกสอนหมดพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกสอนหมดเลยนะว่าคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยบอกว่าทําตัวยังไงไปนรกทําตัวยังไงเกิดเป็นเปรตเดรัจฉานทําตัวยังไงเกิดเป็นมนุษย์ทําตัวยังไงไปเกิดเป็นเทวดาเกิดในสุขติโลกสวรรค์ปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์รู้หมดแล้วก็ไม่ใช่รู้รู้แล้วก็บอกเออรู้นะ่ารู้นะ่ะแล้วก็ไม่พูดอะไรสักอย่างอนะ แต่นั้นก็ไม่ใช่แบบนั้นพระองค์รู้จริงๆแล้วก็เอามาบอกเอามาสอนและมีตัวอย่างประกอบมากมายเนี่ยนะว่ามีบุคคลเช่นนั้นอยู่จริงนะร็จแล้วถ้าหากว่าผู้ใดพึงตําหนิติเตียนเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ไปติไปตําหนิคนที่เขามีความรู้จริงเข้าว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์คือโลกุตระมร์ที่เป็นญาณทัศนวิส อันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมทรงสแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดเจ่มแจ้งได้เองดูก่อนสาเรบุตรผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนที่ถินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกดูก่อนสาเรบุตรเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญา พึงกระยิมอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวแหมฉันใดเรากล่าวข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนความคิดนั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกเนี่ยนะเพราะว่าอริย ป, ปวารนี้เป็นสิ่งที่ร้ายกาจมากอริย ป, ปวารณ์ก็คือว่าร้ายพระอริยเจ้าไปว่าร้ายพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่มีโลกุตระธรรมอยู่จริงนั้นถือว่าอันตรายเนี่ยนะ เที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกนั่นอันะนี้รายละเอียดที่ชี้แจงนะเป็นคําชี้แจงที่ชี้แจงสุนัขขตาริชวีบุตรที่ไปตําหนิพระพุทธเจ้าทั่วเมืองภัยาลีนะว่าคําตําหนิแบบนั้นปฏิปทาแบบนั้นวิธีการแบบนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าเหตุคืออะไรแล้วผลต่อไปในอนาคตคืออะไรเนี่ยนะแต่พระองค์ไม่ได้บอกเลยนะว่าจงมาเชื่อเราจงมาเลื่อมใสในเราไม่ได้ไม่ได้ไไดพูด แต่พระ อ, องค์ก็เล่าเหตุเล่าผลให้ฟังว่าเออเนี่ยเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตัวเช่นนี้เช่นนี้ก็จะเป็นเช่นนี้เช่นนี้พระ อ, องค์มีความรู้เช่นนี้เช่นนี้เนี่ยนะก็พระสูตรที่พระพุทธเจ้าประกาศตัวค่อนข้างมากถ้ารวมๆแล้วเป็นพระสูตรที่ใกล้จับปริญพามาส่วนใหญ่อย่างสูตรนี้ที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นสูตรที่พระ อ, องค์ตรัสในตอนนั้น พ, ออพระชนมาายุแปดสิบปีปีที่แปดสิบหรือพรรษาที่ 45พรรษาสุดท้ายที่จำพรรษาสุดนี้แสดงพรรษาสุดท้าย